เป็นการประกอบในการปฏิบัติธรรมนะ่การปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าแต่รูปแบบไหนก็แล้วแต่นะสิ่งสิ่งแรกๆนะที่นักปฏิบัติจะเจอนะคือเรียกว่าเป็นอุปสรรคด่านแรกนะเรียกว่านิวรณิวรณ์ห้าอย่างนะความง่วง ความสงสัยความคิดฟุ้งซ่านนะความคิดไปในทางพยาบาทหรือว่าความคิดอยากในทางกามราคะเนะนะนะห้าอย่างเนี้ยมันหกห้าอย่างนะนะมันจะเกิดขึ้นนะกับนับปฏิบัติธรรมทุกๆรูปแบบเลยนะเราต้องรู้จักวิธีแล้วก็ หาอุบายนะ่ะที่จะเรียกว่าผ่านเขาให้ได้นะถ้าผ่านนิวรณธรรมไม่ได้นะะสมาธิก็ไม่ได้นะสติก็ไม่ได้นะแต่การผ่านมันก็ผ่าน <c oughs> แบบหลายระดับนะต้องเอาเริ่มแรกก็ต้องผ่านแบบนนิวรณแบบห ย, ยาบๆก่อนนะเพราะที่จริงนิวรณที่ละเอียดขึ้นไปมันก็เป็นธรรมารมนะ เป็นทำเป็นเรียกว่าถ้าเป็นในสติปัฏฐานก็เป็นหมวดนะหมวดธรรมะนะที่ถ้าเรามีสติมากพอเราก็จะดูมันเป็นธรรมารมก็ได้นะแต่ถ้าสติยังไม่เกิดขึ้นนะถ้าเรายังผ่านนิบอนตัวจับยาดไม่ได้เนี่ยมันก็ยากที่จะมีสติมีสมาธินะใชเวลาเราปฏิบัติบางทีเกิดความง่วงนะ เกิดความเบื่อเกิดความสงสัยลังเลต่างๆนะหรือเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความคิดในทางดีทางไม่ดีต่างๆเนี่ยแหละนะมันจะชวนให้เราชวนให้เราจมอยู่กับอารมณ์นั้นๆเราต้องหาวิธีนะดูดออกมาจากมันให้ได้ก่อนนะจะทำวิธีไหนก็ได้นะนะที่จะชนะความง่วงนะ จะเดินสู้ไปเลยก็ได้นะหรือจะใส่เทคนิคสู้กับมันนะเปลี่ยนอารมณ์สู้บ้างก็ได้นะแต่ถ้าจะฝึกให้อินทรีย์เราเข้มแข็งขึ้นนะพยายามสู้ก่อนสู้ให้เต็มที่ก่อนมันง่วงก็นั่งสู้ไปก่อนมันเดินก็เดินสู้ไปก่อนนอกจากถ้ามันไม่ไว้จริงๆนะค่อยเปลี่ยนมันจะเป็นการเพิ่ม ให้อินทรียอินทรียคือกำลังนะกำลังใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นนะสู้มันนะแล้วมันก็จะผ่านมันได้นะถ้าเราผ่านเช่นผ่านควมง่วงได้เนะ่ะครั้งหนึ่งครั้งต่อไปมันก็จะอ่ามันก็จะรู้วิธีที่จะผ่านมันในครั้งที่สองครั้งที่สามต่อไปได้นะความสงสัยก็เหมือนกันนะ <c oughs> ความสงสัยเนี่ยมันจะต้องเรียกว่าด้วยการละนะไม่ผ่านด้วยการละนะแต่ก่อนอย่างความสงสัยในทางโลกเราต้องไปหาคำตอบต้องไปอ่านต้องไปถามคนนั้นคนนี้นะเพื่อให้คลายความสงสัย <c oughs> แต่ในเชิงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะใส่ละความสงสัยด้วยการไม่ต้องไปหาคำตอบ สงสัยก็ก็เรื่องของมันนะก็รู้ก็รู้ว่ามันสงสัยนะนะบางทีความสงสัยไม่จะเป็นต้องมีคำตอบก็ได้นะแม่แต่เรื่องธรรมะนะบางทีเราไม่ต้องไปรู้ก็ได้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะทำไมมันถึงเกิดแบบนี้หรือนะบางทีเราก็อาจจะสงสัยในวิธีการปฏิบัตินะ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราถ้าเราจับหลักไม่ได้จะสงสัยวิธีปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติผิดถ้าสงสัยในวิธีปฏิบัตินะ่ะก็ก็ถามนะถามเพื่อจะได้ไม่หลงทางนานก็ดีแต่ถ้าเราสงสัยไปอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าใจอะไรโดยการที่เราได้ฟังคําตอบคนอื่นไอ้แบบนั้นนะไม่ต้องถามหลักนะเพราะว่าถามอย่างไรมันก็ไม่หมดนะแต่ถ้าสงสัยเพียงแค่ รูปแบบการปฏิบัตินะ่ะอันนั้นก็กระถามเพื่อจะได้เดินทางสู่แต่ถ้าสงสัยด้วยอย่างอื่นเนี่ยวางเล ย, เลยนะสงสัยเรื่องบุญสงสัยเรื่องบาปสงสัยเรื่องกรรมสงสัยเรื่องนร ก, กสวรรค์สงสัยชาติหน้าชาติที่แล้วนะ่ะสงสัยเรื่องวิษปพัฒนายาธกาก็ดีนะ่ะ <c oughs> รู้ว่ามันสงสัยก พ, พอละ แล้วก็วางไว้ <c oughs> ถ้าจะบอกตัวเองก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะปฏิบัติถ้าปฏิบัติางมากมันจะเข้าใจเองไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอ่านก็ได้ไเรื่องพวกนี้น ะ, นะอันนี้คือจริงๆนะถ้าเราปฏิบัติมันจะเกิดความเข้าใจเข้าใจเรื่องบุญคืออะไรบาปคืออะไรนะนรกสวรรค์คืออะไรนะ ชาติที่แล้วชาติหน้าหรือชาตินี้เป็นอย่างไรนะมันก็จะเข้าใจนะเข้าใจเองโในการปฏิบัตินี่แหละนะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติคิดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจหรือคนพูดเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะเชื่อดีไม่เชื่อดีนะแต่ถ้าเราเห็นวยตัวของเราเองเนี่ยมันจะวางความสงสัยได้อ น, นันนะ ถ้าเราสงสัยมากมันก็จะเนื่นช้าแต่ถ้าเราวางความสงสัยได้เร็วนะมันก็จะอเดินไปได้เร็วขึ้นความคิดก็เหมือนกันนะความคิดมันเป็นของคู่กันในการปฏิบัติเหมือนกันนะใหม่ๆก็คิดฟุ้งซ่านเยอะ <c oughs> คิดในเรื่องเกิดขึ้นเฉพาะหน้าบ้างคิดในเรื่องเฉพาะหน้ามันหมดแล้วนะอยู่ อยู่แต่ตรงที่วัดอยู่กับบรรยากาศเดิมเดิมมันก็ไม่ค่อยคิดเรื่องปัจจุบันละมันก็ไปหาเรื่องอดีตมาคิดอ่หรือบางทีถ้าใกล้จะสึกนะมันก็จะไปหาคิดเรื่องอนาคตอ่มาคิดน่ะมันก็หลอกเราคิดทั้งนั้นนะทําให้เราลืมปัจจุบันทำนํำยังไงเราถึงจะกลับมาจากความคิดได้เร็วเนะนี่ยต้องพยายามกลับมารู้สึกกายให้มันชัดขึ้น กลับมารู้สึกกายให้มันชัดมือบางทีถ้ามันฟุ้งซ่านมากบางทีเราอาจจะต้องหยุดก่อนอไม่ใช่เดินไปแล้วก็คิดยาวไปเลยบางทีหยุดเดินก่อนอตั้งหลักใหม่ก่อนหยุดยืนก่อนรู้สึกว่ายืนก่อนแล้วค่อยไปเดินใหม่ให้มันรู้สึกตัวอย่างนะี้หรือถ้านั่งยกมืออยู่นะ่ะนั่งยกมือไปฟุ้งซ่านเยอะเหลือเกินนะ่ะหยุดนิ่งๆก่อนอ หยุดมารู้สึกตัวถึงการนั่งหยุดมารู้สึกตัวกับอิริยาบถอื่นๆนะเอียงซ้ายเอียงขวานะก้มเงยบ้างนะมาตั้งสติในรูปแบบอื่นก่อนแล้วคราวนี้เราก็ค่อยมาสร้างจังหวะใหมนะ่อันนี้คือความฟุ้งซ่านนะถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมากๆให้ให้หยุดเลยนะหยุดหยุดแล้วก็เริ่มใหม่ <c oughs> มันจะช่วยให้การฟุ้งซ่านมันมันน้อยลงนะมันสั้นลงนะเพราะเราอาศัยตั้งใจใหม่แต่ถ้ามันฟุ้งซ่านเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่เป็นนานมากแล้วก็มีสติกลับมาได้เลยไม่ก็ไม่ต้องหยุดก็ได้นะอันนี้ก็ต้องดูไม่ต้องไปพยายามแยกแยะ ก, ก็ได้นะบางทีนิวรนเขาก็แยกแยะเป็นเรื่องการคิด แล้วก็เกิดความอยากเกิดความพอใจนะหร่ว่าคิดแล้วกเกิดการมาราคะหรืงที่ก็คิดแล้วก็เกิดความพยาบาทนะฟองร้ายนะนะเกิดความโกรธความไม่พอใจนะอันนี้ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งนะแต่เราไม่ต้องไปแยกก็ได้นะมันจะคิดแล้วกเกิดความพอใจก็ตามหรือเกิดความไม่พอใจก็ตามเนาะ เราอย่าไปไปหาเหตุหาผลกับมันครับไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าทําไมเราถึงคิดเรื่องนี้เรื่องนั้นไม่ต้องไปพยายามห้ามมันเลยนะครับสําคัญอืความคิดเนี่ยโดยเฉพาะเทียนหรือวิธีปฏิบัติแบบนี้นะครับไม่ได้สอนให้เราห้ามความคิดสอนเพียงแค่ให้เรารู้ตัวว่ามันผลไปคิด แล้วก็กลับมารู้สึกตัวในการกระทําใหม่มเรียกว่าเราไม่ห้า ม, มคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้จิตเราไปหลงอยู่ในความคิดเราก็เพียงแค่ว่าดึงจิตออกมาดึงจิตกลับมาดูเนื้อดูตัวกับสิ่งที่ทําแทนมไม่ได้ห้ามนะครับแต่เหมือนคล้ายๆว่าก็แค่เปลี่ยนคล้ายๆเหมือนเปลี่ยนช่องเหมือนเราเปลี่ยนช่อง ดูโทรศัพท์นะครับนะก็เปลี่ยน ช, ช่องนี้เออคือช่องดูแล้วมันหลงแล้วก็เปลี่ยนไปดูช่องที่มันมีสาระมีประโยชน์ ช, ช่องที่ทำให้เราหลงก็มี <c oughs> ช่องที่ทำให้เกิดประโยชน์ก็มีเนี่ยเราก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนจิตออกมาจากความคิดนะมาอยู่กับความรู้สึกตัวแทนแต่มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะมันจะสลับกันครับ มันไม่ใช่ว่ารู้ตัวแล้วมันจะรู้ตลอดนะมันก็จะรู้สลับกับหลงนะรู้ตัวสลับกับคิดไปเรืนะ่อยเราก็ทำได้เพียงแค่ว่าพยายามสดับบ่อยๆพยายามกลับมาบ่อยๆนะนะถึงท่านพาคือกลับมาบ่อยๆนะกลับมาแบบไม่ไม่ใช่ว่าแบบกรนะชากไม่ใช่แบบห้ามมันนะนะ <upbeat. S 1> กลับมาแบบเบาๆสบายๆนะนะ กลับมาแบบอย่าไปโกรธมันออย่าไปโกรธความหลงอย่าไปโกรธความคิดอย่าไปโกรธความฟุ้งซ่าน <c oughs> มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นครับที่จริง่อนเราปฏิบัติมันหลายคนจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนคิดมากหรือเราเก็บเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะมากมายไว้ไว้ในใจไม่รู้ตัว แต่พอมาปฏิบัติมันจะผุดขึ้นมาเยอะเลยทีนะ่จริงมันเป็นเรื่องที่เราเก็บไว้นั่นแหละในใจแต่เราไม่รู้นะมันจะเผอออกมาตอนนี้แหละตอนที่เราปฏิบัตินี่แหละนะแต่ถ้าคนไม่ปฏิบัตินะความคิดบนนี้ยมันจะเผย อ, ออกมาตอนที่เราเช่นไม่สบายนะนอนอยู่บนเตียงกนะระวนกระวายใจไปทำอะไรอย่างอื่นเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะ่ะ ไอความคิดความวิตกต่างๆเนี่ยจะออกมาเยอะมากตอนใกล้จะตายก็เหมือนกันนะความคิดในความพวงอะไรอาบรวิตกกังวลต่างๆนะเรื่องราวที่เคยนะยึด ต, ติดต่างๆก็จะผุดขึ้นมามากทนะั้งคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยจะอันตรายมากเพราะว่าความคิดที่เราเก็บไว้ตลอดทั้งชีวิตเนะี่ยมันจะโผล่ออกมาตอนที่เราป่วยหนัก ตอนที่เราใกล้จะตายหรือบางทีเราเจอเรื่องร้ายๆหนักๆเนี่ยทำให้เช่นเสียใจมากๆเนี่ยมันก็ยิ่งผสมลงเข้าไปนะแต่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยความคิดที่เราเก็บไว้ในใจมานานหลายปีเนี่ยมันจะแสดงออกมาหรือความอยากความคาดหวังอะไรบางอย่างที่เราถ้าปกติเราอาจจะไม่มีเวลาได้คิดเท่าไหรนะ่ มันก็โผล่ออกมาเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการนั่นนี่หลายอย่างมากมายในความพุ้มค้านในใจมันก็จะโผล่ออกมาให้เราได้เห็นโผล่ออกมาให้รู้ว่าอ้อ <c oughs> เราเองก็เก็บเรื่องพวกนี้ไว้เนิ่นนานเนาะไม่รู้ตัวเลยว่าเก็บไว้แต่เองก็ยังมีความอยากนั่นอยากนี่เยอะแ ย, ยะมากมายเลยไม่รู้ตัวว่าตเองอยาก แต่พอมาเห็นแล้วอมันก็ดีเหมือนกันเนาะเห็นความคิดฟุ้งซ่านต่างๆเห็นความอยากต่างๆเห็นความพอใจความไม่พอใจต่างๆยิ่งเห็นมันบ่อยครับกาลังมันยิ่งอ่อนลงครับ <c ười> คล้าย <c ười> ๆคือเราเห็นมันผดุดโผล่ขึ้นมาเนาะแล้วก็เราไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งกับมันมากนะกำลังมันจะอ่อนครับ <c ười> คล้ายๆเหมือนเรา มือนคล้ายๆถ้าเหมือนคนตกปลาเนาะปลามันกินเบ็ดแล้วนเนี่ยพอปล่อยมันลากเอคนตกปลาเก่งแล้วเขาจะปล่อยให้ปลามันลากลากเหยื่อไปนั่นไปนี่เรื่อยๆปล่อยสายเบ็ดไปก่อนแล้วก็แค่ดึงกลับมาบ้างกระตุกมันมาบ้างแล้วก็ปล่อยมันเรียกว่าปล่อยให้มันลากเหยื่อไปจนเหนื่อยพอมันหมดแรงเราก็ดึงมันกลับมา อามันขึ้นฝั่งได้ <c oughs> ความคิดก็เหมือนกันเราไม่ต้องห้ามมันป่อยให้มันผูดขึ้นมาเราก็แค่ดูนะดูแบบไม่ต้องไปสนใจมันนะดูเหมือนเออดูละมันเกิดขึ้นคล้านยะๆเหมือนกับคนมามาล่อมาหลอกเรานาะเหมือนกับคล้ายๆสมมติพ่อค้าแม่ค้ามามาเซ้าซี้ให้เราซื้อสินค้าให้เราซื้อของ เราก็แค่อยู่เฉยๆยิ้มยิ้มไปนะ่ะเขาก็อาจจะมาขายพูดนั่นพูนนี่เสนออย่างนั้นอย่างนี้นะนานไปเด็กเขาก็เหนื่อยเดยวเขาก็เลิกซื้อเองเราทําใจแบบนั้นแหละนะ่ะอยู่เฉยๆนิ่งๆยิ้มน้อยๆก็ได้นะเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเด็กเขาก็ไปเองความคิดตรงนั้นแต่ถ้าเราไปเต้าซีไปลาคาญ ไปต่อรองราคาอะไรกับเขาด้วยเนี่ยเขาก็ยิ่งขายใหญ่เลยเขาก็ยิ่งชอบนะความคิดก็เหมือนจันน่ะเขามาต่อรองเขามาเชิญชวนเขามาเาซอซีเราก็เพียงแค่เออรู้มันเฉยๆเนาะแล้วมันก็จะค่อยๆ อ, อ่อนกำลังไฟค่อยๆเปลี่ยนไปแต่มันก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกแหละนะแต่เราทํำบ่อยๆครับเจอทั้ง สติมันกลับมารู้กายได้บ่อยขึ้นกลับมารู้กายได้ถี่ขึ้นอันนี้ความคิดมันจะน้อยลงครับความสงบก็จะมาแมทนที่มันจะค่อยๆนานๆถึจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวทีบางทีก็แค่คิดแว็ๆออกไปนิดหน่อยนะสติก็รู้ตัวลวนะจิตจะเริ่มตั้งมั่นมากขึ้นนะจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวจะทำอะไรก็ <c oughs> พอรู้กายที่ทำได้ได้บ่อยขึ้นได้ฉี่ขึ้น <c oughs> ความหลงไปคิดก็น้อยลงความฟุ้งซ่านก็น้อยลงมันก็จะเกิดความสงบใจพอ <c oughs> เกิดความสงบใจอ่นะบาทีมันจะมีปิติครับนะมีปิติความความพอใจนะความสุขใจความอิ่มใจขึ้นมา ตัวก็จะเบานะเดินก็เบาทำอะไรก็เบาใจก็เบานะไม่ค่อยเหนื่อยละนะเดินได้นานนั่งได้นานนะไม่ค่อยดังเล ส, สงสัยแล้วรู้แล้วอ๋อทำแบบนี้ทำแบบนี้มันก็จะทำไปได้เรื่อยๆนะเกิดปิติเกิดความพอใจแต่เรานะแต่เราบางทีความปิตินะครับมันก็จะเกิดเช่น เกิดบ่ายนี้นะสักพักหนึ่งก็จะดับไปครับปิติเนะี่ยเหมือนคล้ายๆน้ําตาลนะน้ําตาลอมไวในปากเนะี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะค่อยๆละลายแล้วก็หมดอะหมดน้ําตาลก็หมดไปในปากของเราอารมณ์ปิติอารมณ์เอสบายเวลาปฏิบัติก็เหมือนกันนะสักพักหนึ่งมันก็จะหมดไป เส่็หมดไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันเราจะติดใจครับปฏิบัติก็อยากจะได้ปีติแบบนี้อีกนะก็คาดหวังว่า อ, อวันนี้เคยทำได้พรุ่งนี้อยากจะเอาให้ได้อีกนะมันจะพลาดตรงนี้แหละครับพลาดตรงเราติดใจพอปฏิบัติอีกก็จะอยากได้แบบนี้อีกนะอยากได้แบบเบาๆนยแบบไม่ต้องคิดแบบมันสงบสงบนมันจะอยากได้แต่อยากได้มันจะไม่ได้ครับ ต้องทำแบบไม่อยากได้ทำแบบไม่อยากได้มันจะกลับมาของมันเองแต่กลับมาแล้วครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งดังหลังเนี่ยความหลงไปกับลหลงไหลไปกับมันมันจะน้อยหลงคล้ายๆเหมือนกับอ๋อรู้แล้วมันหวานก็อย่างงั้นแหละเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเนาะมันหมดไปแล้วก็หมดไป<ม>ความความหลงในปิติก็จะน้อยหลงแต่ปิติแรกๆมันก็จะชวนให้เราหลง ต้องระวังนะครับเวลาปฏิบัติแล้วมันสงบปฏิบัติแล้วมันเบามันสบายเนะี่ยมันจะทําให้เราหลงไปติดใจไปพอใจกับมันหวังว่ามันจะได้อีกอยากจะได้อีกนะแต่มันจะทําให้เราผิดหวังนะผิดหวังก็เป็นทุกข์สิครับใช่ไหมอ่าเป็นทุกข์อ่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอยากได้อีกนะทุกข์เพราะคาดหวังน แต่จริงถ้าเราทำไปเรื่อยๆไม่ได้ต้องการมันนะมันก็กลับมาของมันเองนะแต่คราวนี้มันจะกลายเป็นเป็นความสุขที่ปานนี้ขึ้นมันจะไม่ไม่ใช่ปิติแบบดีใจนะแต่มันจะมีความสุขความสบายในการปฏิบัติทำได้เรื่อยๆนะก็รู้ตัวรู้กายบ้างพุ้งซ่านก็ดีนิดหน่อยนะแร็แร็พไปนะไม่ทันจะพงเป็นอารมณ์อะไรมาก แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยจิตมันจะตั้งมั่นมากขึ้น <c oughs> จิตจะมั่นคงมากขึ้นแล้วจิตก็จะเป็นกลางมากขึ้นครับเป็นกลางก็คือว่าคราวนี้นะมันจะความง่วงจะเกิดขึ้นมานิดนึงอ่ะก็ไม่เป็นไรความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรปิติความสุขจะเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรใจมันจะรู้สึกเออมันก็เป็นอย่างนั้นของมันน่ะแหละนะเราก็เพียงแค่รู้เฉย พอเรารู้เฉยๆจิตจะมั่นคงเป็นสมาธิมากขึ้นผู้ดูนะมันก็จะตั้งมั่นขึ้นอ้อเดี๋ยวอันนี้เราก็เกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะถ้าเราดูเฉยๆเนี่ยนะนะก็ถือว่าถูกแล้วนะแต่ตอนที่เราลงไปเป็นแ่ะมันก็เออลงไปแล้วเนาะลงไปก็แค่หัวเราตัวเองเบาเบนิดหน่อยแล้วก็กลับมานะไม่เป็นไรนะ จิตมันจะคล้ายๆแบบง่ายๆขึ้นง่ายๆอ oh. อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะจะปวดเมื่อยก็ไม่เป็นไรนะจะฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรจะสงสัยก็ไม่เป็นไรนะจะง่วงนอนก็ไม่เป็นไรจะสุกก็ไม่เป็นไรนะคือมันรู้สึกว่าก็แค่ดูมันเฉยๆนะจิตที่ดูเฉยๆเนะี่ยเออมันจะเริ่มเรียกว่ามีสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วนะ อันนี้มันจะเริ่มค่อยๆแยกแล้วอ๋อเนี่ยไอ้พวกนั้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกดูมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะเราหน้าที่เราเป็นเพียงแค่คนดูคล้ายๆเรา <c oughs> เรานั่งดูโทรทัศนะ์เนี่ยโทรทัศน์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนรายการไปเรื่อยเปลี่ยนโฆษณาไปเรื่อยนะเปลี่ยนคนพูดไปเรื่อยเราก็เพียงแค่ดูมันไปเรื่อยเฉยๆ ถ้าเราดูไปเรื่อยๆนะอารมณ์ข้างนอกมันเปลี่ยนแต่ตัวข้างในจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยน mm hmm. สาระสําคัญคือเราให้เราตั้งมั่นกับการดูนี่แหละนะแต่เป็นการดูแบบคล้ายๆดูแบบดูแล้วก็ทิ้งนะครับแบบคล้ายๆดูแล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะคล้ายๆเหมือนกับเราทานน้าทีละทีททละอืดครับถ้าเราทานแบบยาวๆแบบนานๆไปเดี๋ยวมันจะสำลักนะ มันจะเหนื่อยนะไม่ได้หายใจเลยนะทานไปทีละอึกทีละอึกเนะี่ยมันก็สบายดีค่อยๆจิบไปค่อยๆจิบไปคนะ่อยๆจิบไปเนี่ยมันสบายครับเนี่ยเราก็จะเออดูไปเรื่อยๆทาแล้วก็ดูแล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้วางทั้งตัวที่รู้เนี่ยทำแบบนี้นเรื่อยๆนะจิตมันจะเรียกว่ามันจะตั้งมั่นมากขึ้นมี สติมีสมาธิมากขึ้นมันจะเห็นแล้วว่าเ อ, อ้ออันนี้เป็นเรื่องของกายเนาะเออกายมันเป็นแบบนี้เนาะใจเป็นเพียงแค่ผู้ดูเฉยๆความคิดก็เหมือนกันเอ้ยเมื่อกี้มันคิดเมื่อกี้ก็มีแล้วก็มีจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้มันคิดขึ้นมามันจะเริ่มแยกใจแล้วอ้อรูปเป็นแบบนี้นะนามเป็นแบบนี้แยกรูปแยกนามได้นะ่ะ แยกได้ว่าไอ้ความคิดกส่วนหนึง่งตัวรู้ก็ส่วนหนึง่งแม้เป็นเรื่องของจิตแต่มันก็มีสองส่วนนะจิตที่รู้ก็แบบหนึ่งจิตที่จิตที่หลงก็แบบหนึง่งจิตที่ปรุงแต่งก็แบบหนึง่งจิตแค่รู้ว่าจิตปรุงแต่งก็แบบหนึง่งมันจะค่อยๆแยกแล้อ้อนมาทำเองมันก็มีมีสองส่วนนะถ้าว่าง่ายๆนะส่วนที่รู้กับส่วนที่ไม่รู้นส่วนที่รู้กับส่วนที่หลงนี่เองนะ หรือว่าส่วนที่ปกติกับส่วนที่ไม่ปกตินะไม่ว่าจะไม่ปกติในทางทุกหรือในทางสุขก็แล้วแต่นะไม่ปกติทางนั้นรู้เฉยๆเนี่ยปกติกว่านะมันก็จะกลับมาสู่สภาวะรู้เฉยรู้ซื่อๆนี่แหละได้บ่อยขึ้นเนะีนะ่ยเรากนะ็พัฒนาไปเนาะพูดให้ฟังไว้ว่าตั้งแต่เบื้องต้นที่เราต้อง ข้าวข้ามนิ่วรณธรรมให้มันสุดออกจากอำนาจของนิวรณธรรมที่ครอบงำจิตให้ได้จิตถึงจะเริ่มมีสติมีสมาธิมากขึ้นแต่พอมีสติมีสมาธิมากขึ้นคราวนี้เราสามารถย้อนกลับไปดูนิวรณธรรมเป็นเพียงแค่อาการก็ได้ <S S S S นะความฟุ้งซ่านก็เป็นเพียงแค่อาการความสงสัยก็เป็นเพียงแค่อาการความง่วงก็เป็นเพียงแค่อาการ ถ้าเราย้อนกลับไปดูได้มันก็เป็นฐานในการมีสติอีกรูปแบบหนึงนะ่งมันจะครอบงําจิตไม่ได้นะแต่มันเพียงแค่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็ตกไปเกิด ข, ขึ้นแล้วก็ตกไปนะมันเหมือนคล้ายๆเราอยู่ในศาลาครับได้ยินเสียงฝนตกได้เห็นฝนตกเนยอะ <c oughs> แต่เราไม่เปรียบฝนคล้ายๆเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะมีสตินะตั้งมั่นอยู่ที่ปอลอดภัยละ ข้างนอกจะฝนตกข้างนอกจะร้อนจะแดดออกจะอะไรก็แล้วแต่เราก็เห็นอยูนะ่เราก็ได้ยินอยู่แต่มันไม่ถึงใจนะมันกระทบไม่ถึงใจมันกระทบเหมือนข้างนอกบนะางทีผมก็ชอบนะที่หลวงพ่อเปรียบเทียบนะหลวงพ่อเขียนเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆถ้าสติเราตั้งมั่นนะเหมือนเรานั่งอยู่ในมุง้งอยู่ในกดฟังเสียงยุงมันบินอยู่รอบมุง้ง มันก็มันก็หัวเราะยุงได้นะยุงมันเข้ามาในมุงไม่ได้น่ะเราปลอดภัยแล้วมันจะบินกี่ตัวก็เรื่องของมันน่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็เหมือนกันนะอารมณ์ความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็แต่มันเออมันเข้ามาไม่ได้นี่มันก็ตดมันนะเอมันจะดอกมันจะล่อแต่เราไม่หลงเนี่ยมันก็มันก็สนุกนะการภาวนามราก็จะเห็นเลยอ๋อ มันก็ชวนหลงไปนั่นไปนี่เยอะแยะมากมายเลยนะใหม่ๆก็ต้องพยายามตั้งใจกลับมาแต่พอภาวนาไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องตั้งใจมากนะแค่รู้มันก็กลับมาของมันเองละนะนี่คือมันก็เป็นผลของการภาวนาของเรานะก็ขอให้ขอให้ทุกท่านเนาะในตั้งใจตั้งใจทำความเพียร น, นะนะถ้าเราทำคว า, ความเพียรอย่างถูกถูกต้องนะ ทำคมเพียรอย่างถูกทางเนะก็ย่อมได้รับผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับเนะ่แล้วก็กลาก่า ก, ากัน